โยมอย่าตื่นเต้นเยอะนักนะพลังงานของความตื่นเต้นมันเยอะไปเราไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตนะมาฟังธรรมะมาเรียนธรรมะนะสิ่งที่ได้คือความรู้ความเข้าใจถ้าเรารู้เราเข้าใจธรรมะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอย่างปีใหม่วอวยพรกันให้มีความสุขส่งความสุขอะไรเนี้ยมันหลอกๆนะนได้กำลังใจเท่านั้นแหละยางรู้สึกเวียงมีพักมีพว ก, ม, พวกมีคนนึกถึง ในความเป็นจริงเราก็ต้องฝึกของเราเองใครๆก็อยากได้ความสุขทั้งนั้นนะคาดหวังเอาหากําลังใจให้ตัวเองอย่างชีวิตของคนเราจริงๆมันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์มันเยอะเราก็สร้างทํานมทำเนียมปีหมง่งปีใหม่ได้ขึ้นมาให้กําลังใจเอาแล้วความทุกข์ของปีนี้กํลาลังผ่านไปปีหน้าคงจะมีความสุขก็หลอกเด็กไปเรื่อยๆเนาะชีวิตจริงๆมันไม่ได้มีความสุข อย่างที่คิดไวนะ้ถ้ามีธรรมะนะเราถึงจะเข้าถึงความสุขจริงๆความสุขที่คนในโลกรู้จักเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเราจะมีความสุขนะถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เนี่ยเราจะมีความสุขนะถ้าเราได้กินสิ่งนี้เราได้ดูวันนีนะ้ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะ ได้เห็นนะ่นโน้นเห็นนะันนี้ในความสุขที่มันอิงอาศัยสิ่งข้างนอกความสุขที่อาศัยตาไปมองนะอาศัยหูไปฟังได้ฟังนักร้องคนนี้แล้วมีความสุขได้ฟังคำชมแล้วมีความสุขหรือได้อาศัยลิ้นไปรู้รสนะได้กินอันนี้แล้วมีความสุขรสชาติได้สัมผัสอย่างนี้มีความสุข ใจเราก็หาความสุขอย่างนี้ชาวโลกแล้วก็สัตว์ทั้งหลายหาความสุขอย่างนี้ความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อปิดบังความจริงคือปิดบังความทุกข์ไว้เท่านั้นเองอย่างกลุ้มใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงนะมันก็มีความสุขประเดี๋ยวประดาวปเดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกแล้วหรือทําไปกินเหล้าให้ลืมลืมไปพอสังเมา ปัญหาเก่าๆก็กลับมาอีกก็มีความทุกข์อย่างเดิมนะความทุกข์มากกว่าเก่าคือปวดหัวกินเหล้าแล้วปวดหัวหรือกินเหล้าแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนี่คนในโลกมันไปหาความสุขแบบอาศัยสิ่งภายนอกอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะความสุขอย่างนี้เรียกว่าการมาสุขกามาสุขนี้คนทั้งหลายเขาก็หากันสัตว์ทั้งหลายก็หาเหมือนๆกันมีเหมือนกันความสุขชนิดนี้แต่สุขชนิดนี้แวบเดียวชั่วคราว อย่างเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเก็บเงินตั้งนานหลายเดือนเก็บเงินไว้พอไปซื้อพอได้มานะมีความสุขประเดี๋ยวเดีย ว, ยวบางคนชอบเก็บของไว้เต็มบ้านเห็นน้ น, น, นอยากได้เห็น น, นนี้อยากได้นะเก็บไว้มีความสุขตอนที่ไปซื้อมาได้ตอนที่ได้มาเสร็จแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็ลืมไปนะขี้ฝุ่นจับอะไรเงี้ยนี่ความสุขก็ต้องวิ่งไปหาอีกในที่สุดก็หาที่นั่งที่นอนไม่ได้เนะต็มบ้าน ในความสุขที่อิงอาศัยของข้างนอกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าพอได้รับความสุขมาแป๊บเดียวในใจมันจะมีความทุกข์อีกแล้วถ้าใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาอีกความทุกข์มันเป็นความจริงของชีวิตเนี่ยพอมีความสุขก็ได้แวบเดียวความทุกข์ตามมาอีกก็ต้องไปดิ้นรนหาผัสสะหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆมาอีกแล้วนี่คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็หาความสุขได้แค่นั้นแหละะพวกเรา ศึกษาธรรมะล้วก็มีความสุขที่มากกว่านั้นศึกษาธรรมะแล้วคนที่ไม่มีศีลก็มีศีลคนที่ไม่มีสมาธิก็มีสมาธิคนที่ไม่เคยมีปัญญามีปัญญาเมื่อมีศีลก็มีความสุขอย่างคนมีศีลมีสมาธิก็มีความสุขอย่างคนมีสมาธิมีปัญญาก็มีความสุขอย่างคนที่มีปัญญาถึงจุดหนึ่งมีวิมุตติมีความหลุดพ้นก็มีความสุขอย่างผู้ที่หลุดพ้นนะไม่ใช่คนหลุดพ้นแล้วคราวนี้ไม่มีคนนะ ความสุขก็มีเป็นขั้นๆไปก็แล้วแต่ว่าใครจะหาได้แค่ไหนตามสติตามปัญญาของแต่ละคนอย่างคนไม่มีศีลนะเขาก็ไม่มีความสุขอย่างจริงจังคนมีศีลมีความสุขมากกว่าแต่คนทั่วๆไปที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะเข้าใจว่ารักษาศีนทาให้มีความทุกข์ความจริงรักษาศีลนั้นรักษาเพื่อให้มีความสุขไม่ใช่ให้มีความทุกข์อย่างเราจะฆ่าคนกับเราไม่ฆ่าเนี่ยหมฆ่าคนมีความทุกข์นะ ต้องวางแผนวางแผนจะไปฆ่าเขาเนี่ยจะฆ่าได้ไม่ได้หรือจะถูกเขาฆ่ายังไม่แน่นะมีคนรู้จักกันคนหนึ่งนะแกเป็นอาเสียนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่เมืองการนะชื่อเสียอ๋ออย่าไปเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวแกได้ยินนะเสียเนี่ยแกเคลียดนะแกเคลียดเมียแกเนี่ยเข้ามายึดครองกิจการไว้เพราะแกเอาแต่กินเหล้านะกินเหล้าเมาแล้วก็ทําธุรกิจแบบ สเปซ ส, สปาไปด้วยเมียมายึดครองกิจการไว้วันหนึ่งก็แค้นเมียมากเลยเมาเหล้านะตะโกนลั่นบ้านเลยกูจะฆ่ามึงน ะ, ะตะโกนเป็นสั่นเลยนะเสร็จแล้วตกใจกูทานต่อเอ๊ะหรือมื่อจะฆ่ากูนะนึกคิดจะฆ่านะก็กลัวเขาฆ่าเหมือนกันนะพอไปฆ่าแล้วก็ต้องหนีตำรวจใช่ไหมเจอตำรวจก็สะดุ้งนะเจอเมียตำรวจอย่างคุณมาลีก็สะดุ้งเหมือนกัน ต้องปกปิดต้องซ่อนเร้นต้องหลบซ่อนคนถือศีลสบายกว่าไม่ต้องฆ่าใครไม่ทาร้ายใครไม่ลาบากคนโกหกใช่ไมคนโกหกก็ลาบากโกหกแล้วต้องจำคนไหนความจำเสื่อมอย่าไปรีอ่านโกหกนะเขาจะจับได้อย่างรวดเร็วเนะช้าสายบ่ายเย็นพูดกับคนเดิมยังพูดไม่เหมือนเดิมอีกอย่างนี้ใช้ไม่ไดนะ้อย่างคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากนะ ไม่ต้องจำเพราะความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละคนประพฤติผิดในกรรมนะต้องหลบซ่อนต้องหลีกเล่นใจคอไม่สบายเนี่ยแต่คนซึ่งไม่ประพฤติผิดในกรรมคนไม่ประพฤติผิดในกรรมสบายกว่าคนจะกินเหล้ากินยาติดยาเสพติดนี่ไม่สบายต้องหาเงินหาทองไปซื้อมากินบางอย่างก็มีโทษมากเนี่ยลองดูให้ดีการถือศีล น, นะมันดี หรืออย่างลักขโมยเขาใช่ไหมคนไม่ขโมยสบายไปลักเขาไปขโมยเขาไม่สบายหรอกกงังวลจะวางแผนยังไงจะไปแย่งเขามาได้เขามาแล้วเนะี่ยทายัางไงเจ้าของเขาจะไม่รู้จะไม่โดนตามจับไม่โดนเล่นงานเนี่ยคนที่มีศีล น, นะก็มีความสุขอย่างคนมีศีลสบายถือศีลแล้วจิตใจสบายมีความสุขงั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ว่าถือศีลแล้วลําบากถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือศีลแล้วสบายมีความสุข นี่จิตใจปกติจิตใจของคนเราวอกแวกตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมานะสายไปสายมาทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยนะจิตใจที่มันไม่เคยหยุดพักมันหาความสงบหาความสุขไม่ได้นะมาฝึกจิตฝึกใจใ ห, ให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแทนที่จะก้าอารมณ์น้นทีว้าอารมณ์นี้ทีให้จิตใจมันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะมันก็มีความสุข แทนที่จะต้องวิ่งไปดูหนังฟังเพลงนะพอกรุ่มใจขึ้นมาก็มารู้ลมหายใจมาพุโทโธอะไรไปนะพุโทโธพุโทโธไม่เสียสตังนะหายใจก็ไม่เสียสตังไม่คิดค่าอากาศหายใจไปมีความสุขจิตใจมีความสงบขึ้นมามีความสุขนะจิตใจเคยวุ่นวายหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาฝึกหัดจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจก็มีความสุขเสร็จแล้วก็มาหัดเจริญสติ คนที่มาเจริญสติก็จะมีความสุขแบบผู้เจริญสติทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตใจจะมีความสุขทันทีนี่เป็นเรื่องอจจัศจรรย์มากนะขณะนั้นกำลังกลุ่มใจอย่างหนักอยู่เลยเกิดมีสติระลึก ข, ขึ้นได้ว่ากำลังกลุ่มใจอยู่ความกลุ้มใจมันจะกระเด็นตกหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ถ้าสติตัวจริงเกิดจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสติตัวปลอมเกิดนะกลุ้มใจเพรอรู้ว่ากลุ่มใจก็เกลียดมันเมื่อไหร่จะหายมเมื่อไร่จะหาย ดูมาตั้งนานแล้วไม่หายสติเนี่สงสัยพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงละเนี่ยจิตใจอย่างนี้ไม่มีสติตัวจริงนะก็ไม่มีความสุขถ้ามีสติตัวจริงแนละ้วใจแค่ใจลอยไปนะใจลอยแว้บไปมีสติะระลึกได้ว่าใจลอยแล้วเนี่ยขนาดนั้นนะความสุขจะเกิดขึ้นเองเนละจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาในใจเรานะความสุขจะผุดขึ้นมานี่ไม่เสียเงินเสียทองเลยไม่ได้อิงอาศัยใครไม่ต้องพึ่งใครเลยนะ ถ้าต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเราก็ต้องตกเป็นทาสของคนนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นเรื่อยๆไปเนี่ถ้าเราไม่ได้พึ่งใครนะเรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขเป็นความสุขที่ไม่ยิงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขอยู่ในตัวเองยืนอยู่รู้สึกตัวว่ายนะืนก็มีความสุขแล้วนั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งนะก็มีความสุขโกรธอยู่ <VEN. S 2> รู้สึกว่าโกรธขึ้นมาก็มีความสุขโลดอยู่รู้สึกว่าโลดอยูนะ่ก็มีความสุข อะไรเกิดขึ้นในกายในใจพอเรารู้ทันเราก็จะมีความสุขขึ้นมาในฉับพลันนั้นเลยไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาส่งความสุขให้เราเรามีความสุขที่จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ด้วยนะเผื่อแผ่ทั้งมนุษย์ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยจิตใจของเรามีความสุขมีความร่มเย็นเพราะงั้นค่อยๆฝึกนะฝึกไปพอสติเราเกิดเนเราจะเริ่มมีความสุขละถัดไปพอเรามีสติเราก็รู้กายไป เราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยจิตใจจะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งความสุขของสมาธิเนี่ยเป็นความสุขของเด็กๆความสุขที่เกิดจากการที่มีปัญญาเห็นความจริงนันเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่ส่วนความสุขที่เพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความสุขของสัตว์ความสุขของชาวโลกนะความสุขของสัตว์ความสุขของ คนบ้านั่นเองผู้เจ้าบอกนะคนบ้าหลงไปแต่ความสุขมีหลายระดับนะพอเรามีสติมีปัญญารู้ความจริงของกายของใจเราจะมีความสุขแบบผู้ใหญ่คือมันรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราทั้งกายทั้งใจเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจเรานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจนี้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรอก ย่งเราบังคับร่างกายลองบังคับดูนะลองซ้อมดูก็ได้ใครคิดว่าบังคับได้ลองสั่งมันซิจงหายใจเข้าอย่างเดียวเอาลองดูสักห้า น, นาทีไม่ตายก็มาว่ากันเนาะ <c oughs> หายใจเข้าอย่างเดียวนาทีหนึ่งก็แย่ละเนะี่บังคับมันไม่ได้จริงหรอกนะหรือบังคับมันไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำํำนะไม่ต้องขับถ่ายอนะไรงี้ยทาไม่ได้จงนั่งอย่างเดียวนะอย่า ก, กระดุกกระดิก นั่งไปสักพักหนึ่งความทุกข์ก็บีบคั้นเราทำย่ําแย่แล้วเนี่ยร่างกายนะมันบังคับไม่ได้จริงหรอกมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้นะถ้าจิตใจเราสั่งได้ตามใจชอบเราก็สั่งเลยเอา้าวจงบรรลุมรรคผลนิพพานนะบัดนี้มันไม่บรรลุหรอกนะจงมีแต่ความสุขอย่างเดียวมันไม่มีความสุขหรอกเราสั่งมันไม่ได้ห้ามความทุกข์เกิดขึ้นนะห้ามไม่ได้ใช่ไหม ทําอะไรก็ไม่ได้ในกายในใจนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงนะต่อไปเราก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเมื่อไหร่สลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้เรารู้แล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นอย่างนี้มันจะสลัดนะเรียกปฏินิสักคะมันสลัดคืนเจ้าของเดิมคือคืนให้โลกไป อย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้นี่เห็นได้ง่ายนะจิตใจก็เป็นของโลกนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะเราสลัดทิ้งสลัดคืนไปไม่ยึดถือคุณมาลีจิตสงสยัยรือว่าสงสัยไปนะนะพอสลัดทิ้งไปแล้วนะจิตใจมันจะปลอดปลงล่งเบาเนะมื่อเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดือว่านิพพานไะมนะ่ความสุขมีตั้งแต่ความสุข โลกๆนะวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจความสุขของการมีศีลของมีการมีสมาธิของการมีปัญญาของการหลุดพ้นเข้าถึงมรรคนิพพานเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติธรรมเราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งมีความทุกข์หลายคนภาวนาผิดยิ่งภาวนายิ่งเครียดยิ่งภาวนายิ่งมีความทุกข์นะถ้าภาวนาแล้วเครียดทําผิดแน่นอนนะเพราะจิตที่เครียดเป็นอากูสุระจิต จิตที่เป็นมหาครูสอจิตนั้นมันจะโปร่งโล่งเบามีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะไม่เพี้ยนด้วยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อมาจริงๆเรียนมาตรงๆมาเนี่ยตามสถิติไม่เคยมีคนบ้าสักคนเลยนะคนเครียดก็ไม่ค่อยมีนะเคยเครียดมากก็จะค่อยๆหายจากความเครียดไปเรื่อยๆนะที่มีเกษะเซ็นกระจายมานะส่วนมากมาจากที่อื่น มาจากที่อื่นเต็มประดามาแล้วอาจารย์ไม่เอาแล้วอะไรเนี้ยนะเสกสาไล่ส่งมางั้นถ้าเราจเจริญสติจริงๆรับรองไม่บ้านะใจจะรู้สึกตัวจะมีความสุขอยู่ทั้งวันอนะยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขใจถึงสุดท้ายนะั้นมันมีแต่ความสุขถาวร น, นี่บางคนเข้าใจว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายเริ่มต้นก็สอนให้รู้ทุกข์้ย สอนแต่เรื่องทุกข์ก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยมองโลกแง่ร้ายคําว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าความทุกข์คาว่าทุกข์แปลว่ารูปกับนามกายกับใจเพราะฉะนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นยิ่งรู้ทุกข์ยิ่งมีความสุขยิ่งหนีทุกข์ยิ่งมีความทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ต้องไปหนีความทุกข์ไม่ต้องไปเกลียดความทุกข์ยิ่งเกลียดยิ่งต่อต้านยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆ เนี่ยสำหรับปีใหม่นะจะได้มีความสุขนะดูหลวงพ่อนะหลวงพ่อนั่งยิ้มทั้งวันเลยนะยิ้มกับดินฟ้าอากาศนะค่อยๆฝึกหัดใหม่ๆต้องล้มลุกลุ ก, ลกคลานทุกคนนะไม่มีหรอกที่วิเศษวิโสมายกเว้นแต่ว่าทามาแต่ชาติก่อนแล้วอยากรู้ว่าเราทามาแต่ชาติก่อนหรือเปล่านะไม่ยากหรอกนะหัดภาวนานะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมา เรารู้สึกตัวมีสติแท้ๆขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยคนที่เคยฝึกมาแล้วนัมันจะรู้ึกขึ้นได้ว่าความรู้สึกอย่างนี้เคยรู้จักมาแล้วแต่ลืมไปนานแสนนานจะรู้สึกอย่างนี้งั้นหลายคนภาวนาแล้วจะรู้สึกว่าเอออันนี้เคยเห็นมาแล้วเคยรู้จักมาแล้วใจที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยพวกอย่างนี้แสดงว่าทํามาก่อนแล้วทาต่อง่ายถ้าภาวนาไปแล้วโอ้อันนี้ใหม่ๆไม่เคยเห็นสักอันนะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มทําใหม่ แต่ก็ถือว่ามีบุญมีบา ร, รมีมากแล้วนะถึงจะได้ฟังธรรมะคนทั้งโลกทั้งโลกมีตั้งหลายพันล้านใช่ไหมมีสักกี่คนจะได้ฟังธรรมะคนเมืองไทยมีกี่สิบล้าน60 70ล้านอะไรนะจะมีสักกี่คนได้ฟังธรรมะมีนิดเดียวธรรมะแท้ๆนี่หายากนะหายากเพฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอา วิธีปฏิบัติก็คือคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเอาแต่คิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ทั้งวันไม่เพ่งกายเพ่งใจจ้องให้กายนิ่งให้ใจนิ่งนะไม่ทำาออย่างนี้พอเรารู้กายรู้ใจได้แล้วแต่ไปกายมันเป็นยังไงเราก็ตามรู้มันไปจิตใจมันเป็นยังไงเราตามรู้มันไป การที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่าเรามีสติกายเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญาถามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างบางคนพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะอะไรอย่างนี้เป็นเป็นสมถกรรมฐานชนิดหนึ่ง พิจารณาแล้วจิตสงบจากราคะสิ่งที่ได้มาคือความสุขได้มาคือความสงบแต่วิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือปัญญาได้เห็นความจริงของกายได้เห็นความจริงของใจนะกายกับใจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนนะยิ่งเรียนรู้กายรู้ใจตนเองได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยการภาวนาก็ลมลุกลุกลานทีแรกจะลาบากวันหนึ่งวันหนึ่งสติเกิดนิดเดียวนะ อกูศลเกิดมากสติเกิดน้อยใจลอยทั้งวันนะใจลอยไปแล้วเดี๋ยวก็โลภใจลอยไปเดี๋ยวก็โกรธนะตัวใจลอยนั้นก็คือหลงนั่นเองนั้นอากุศลเกิดทั้งวันเลยนานๆจะระลึกขึ้นได้สักทีหนึ่งว่าอ้าวเผลอไปแล้วนี่หรือระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วนี่นานๆทีหนึ่งแต่พอฝึกนานๆไปชำนี้ชํานานขึ้นสติก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเผลอก็สั้นลงสั้นลงไม่ใช่ไม่เผลอนะ เผลอจะสั้นลงเรื่อยๆเผลอไปแ string, ปวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆสติทีย่ยิบขึ้นมาเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกว่าห้ามเผลอแต่เราฝึกเพื่อมันเผลอไปแล้วเราก็รู้ไวๆหน่อยในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตที่เผลอไปเราก็ห้ามไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเราสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้เวลาปล่อยวาง <ๆ S 1> ก็ปล่อยวางทั้ง2ตัวพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าปล่อยอันหนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกอันหนึ่ง การภาวนานะสุดท้ายมันจะปล่อยหมดนะไม่ใช่ทิ้งอันหนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกอันหนึ่งอย่างถ้าทําสมถะเนี่ยมันจะทิ้งอันหนึ่งแล้วไปเอาอีกอันหนึ่งทิ้งความฟุง้งซ่านไปเอาความสงบเนี่ยทิ้งความทุกข์ไปเอาความสุขเนี่ยทิ้งความไม่ดีทิ้งอกุศลไปเอากุศลถ้ายังรักอย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งใจก็ยังดิ้นรนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคอยมีสติคอยมีปัญญารู้ไปเรื่อยนะต่อไปเราจะเห็นความจริงเป็นลําดับลําดับไป อย่างคนทั่วๆไปที่เขาไม่เคยฝึกเลยหรือว่าฝึกยังไม่มีสติตัวจริงนะสติตัวจริงยังไม่เกิดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งนี่ก้อนนี้เป็นตัวเราทั้งกายทั้งใจนี่มันรวมเป็นอันเดียวกันแหละเรียกว่าเรานะพอมาหัดเบื้องต้นก็จะเห็นในกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันนึงความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอีกอันหนึ่งนะเห็นมันกระจายออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก ตัวความสุขความทุกข์ตัวเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวกุศลอะกุศลทั้งหลายโลภโกรดหลงทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะอย่าให้มีจิตผู้รู้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะให้สังเกตให้ดีจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็มีจิตผู้คิดเกิดขึ้นแทนแมนะ้จิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่จิตผู้รู้ จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี่จิตก็ไม่เที่ยงนะอะไรอะไรในกายในใจนี้ล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของทุกข์ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวดูอย่างนี้เรื่อยๆนะนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะมีความสุขนะนี่หลวงพ่อเทศรวดเดียวยี่สิบนาทีถึงนิพพานแล้วนะเทศที่ไรก็มาลงตรงนี้แหละหนะลวงปู่ดูลให้เคยบอกนะเวลาฟังเทศอนะ่ะ จะฟังเทศต้องฟังให้ได้อัธรสฟังให้ได้ครบนะฟังให้ได้ครบมีทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนะมีทั้งสมถามีทั้งวิปัสนานะฟังทีเดียวฟังให้ครบนะในเวลาสั้นๆนะจริงง่ายนิดเดียวง่ายนะคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะบางคนเริ่มคล่่าครวญว่ายากนะให้รู้ว่าคล่่าครวนใครรู้สึกไปไม่เห็นจะมีอะไร จริงๆนะจริงๆนะไม่มีอะไรหรอกเราไปคิดว่ามีขึ้นมาเองใครดูไปเรื่อยๆพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วโลกข้างนอกกับตัวเราข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนะโลกข้างนอกนี้จะว่างเปล่าตัวเราข้างในจิตใจเนี่ยจะหนักจะแน่นจะแข็งแข็งจะมีน้ำหนักโลกข้างนอกว่างๆนะแต่ถ้าคนไม่เคยภาวนานะจะเห็นว่าโอ้ยปัญหามันอยู่ข้างนอกนะตัวเราแหลดีเนะ ปัญหามันอยู่ข้างนอกความทุกข์มันอยู่ข้างนอกตัวเราเป็นคนดีคนอื่นมาทําความทุกข์ให้เรามหัดภาวานาสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยโลกข้างนอกว่างเปล่าไอ้ที่หนักๆที่เป็นทุกข์นั้มันอยู่ที่ใจเราเนี่เองใจเรากับโลกข้างนอกไม่เท่าเทียมกันต่อภาวานาต่อไปช่วงหนึ่งเราจะพบว่าโลกข้างนอกก็ว่างเปล่าใจของเราก็ว่างเปล่าถ้าภาวนาจนเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าใจก็ว่างเปล่าเสมอกันอย่างนี้ยจิตจะมีสมาธิบริบูรณ์เล ถ้ามันไม่เท่าเทียมกันนะมีข้างนึงหนักข้างหนึ่งเบามันจะเกิดการเคลื่อนไปมันมีความต่างสักแล้วมันจะเคลื่อนะเหมือนระดับน้ําที่มันไม่เท่ากันสองถังนะมีท่อต่อตรงกลางน้ําที่สูงก็ไหลไปที่ต่ําเฉะนอนจิตมีธรรมชาติลงที่ต่ําโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนี่ถ้ามันมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วมันจะไหลไปแต่เมื่อช่วงหนึ่งภาวนาไปนะจนเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าจิตใจภายในก็ว่างเปล่าเสมอกัน จิตก็จะมีสมาธิบริบูรณ์นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีจิตจะไม่หลงไปหาโลกข้างนอกแล้วไม่รู้จะไปหาทําไมอยู่กับตัวเองก็สบายดีอยู่แล้วพาวนาอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะยังเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าโลกข้างในว่างเปล่าภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยข้างนอกข้างในเป็นอันเดียวกันหลวงปู่ดืลย์เคยสอนนะสอนหลวงพ่อมาตั้ง20กว่าปีแล้วสมัยนั้นฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องหรอกท่านบอกว่าวันใดที่เห็น จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเธอจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดในพริบตาเดียวในรวดเดียวนั้นเลยนะคือเมื่อไหร่ที่สามารถภาวนาจนเราสลัดคืนจิตให้โลกไปได้จิตกับโลกเป็นอันเดียวกันอยู่นั้นนะปล่อยวางไปแล้วนั่นเองปล่อยวางโลกภายนอกปล่อยวางโลกภายในพอปล่อยวางแล้วนะมันก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกันล้วนๆนนะจิตที่หลุดพ้นออกจากภายในจากภายนอกนี่แหละคือจิตหนึ่งจิตที่เป็นอิสระ ไม่ใช่จิต ท, ที่เป็นคู่ไม่ใช่จิต ท, ที่เป็นสองจิต ท, ที่เป็นหนึ่งในภาษาพิธ ร, รมจะเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากริยาจิตเนี่ยไม่ทำกรรมแนละ้วไม่ขยับขยื่นนะมันภายในเนี่ยว่างเปล่าภายนอกว่างเปล่าท่านบอกงนี้ภายในเหมือนก้อนหินและท่อนไม้คือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยจิต ท, ที่เป็นหนึ่งครอบโลกครอบจักรวาล น, นะเต็มโลกเต็มจักรวาล เมื่อมันเต็มโลกเต็มจักรวาลแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไปไหนมาไหนอีกแล้วเพราะมันไม่มีที่จะเคลื่อนไปไหนได้อีกแล้วจิตกระทํำก็จะรวมเข้าเป็นอันเดียวกัน wow. ทำซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะนะไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติยังเป็นธรรมะที่เกิดเกิดดับดับถึงเรียกว่าธรรมชาติชาติแปลว่าเกิดพนะ อ, เ, อ, เ, อ เ, เป็นธรรมาร้วนๆที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยธรรมาร้วนๆที่ไม่เกิดไม่ดับก็เต็มโลกเต็มจักรวาลอยู่ต่อหน้าตาเราเมื่อประมาณปี27งเจ็ดเคยมีครูบาอาจารย์องหนึ่งชี้ให้หลวงพ่อดู ความว่างนะท่านชี้ให้ดูพระโมสดเห็นความว่างเห็นสุญญาตาในลูกกลงไหมลูกกลงระเบียงท่านเป็นไม้นชี้ให้ดูบอกเห็นครับพระโมสดเห็นสุญญาตาในพื้นกระดานของท่านไหมบอกเห็นพนะระโมสดเห็นสุญญาตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมบอกเห็นเอาละเท่านี้พอฟังแล้วก็งงไหมพวกเราฟังวันนี้ก็งงเหมือนที่หลวงพ่องงนั่นแหละ ว่าท่านจะเทศอะไรของท่านไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะที่แท้จริงท่านเล่าให้ฟังนะเล่าถึงผลให้ฟังนะในความเป็นจริงแล้วก็คือสุญญาตาหรือนิพพานนะั้นมันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หมดแล้วเต็มบริบูรณ์ไม่เคยบกพร่องไม่เคยหายไปไหนไม่เคยเกิดขึ้นแะล้วไม่เคยหายไปไหนมีอยูนะ่จิตที่เข้าไปสัมผัสมันสัมผัสนิพพานสัมผัสสุญญาตาตัวนี้จะมีแต่ความสุขล้วน เราจะสัมผัสได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วเทศได้ขนาดนี้ก็พอนะฟังมากไปก็เวียนหัวหลายคนเริ่มงงงงแล้วฟังไปก่อนนะอีกสิปียี่สปีข้างหน้าจะอ๋อนะอ๋อถ้ายี่สิบปียังไม่อ๋อนะก็สาสิปีนะชาตินี้ไม่ อ, อ๋อชาติหน้าเอาให้ อ, อนะ๋อนะการภาวนาไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยอย่าถอย ไม่ต้องรีบร้อนนะเดินไปวันละเก้าสอก้านะไม่รีบร้อนแต่อย่าอยู่นิ่งอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนการอยู่นิ่งนะท่านบอกคุณงามความดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องรีบร้อนพัฒนาถ้ารีบร้อนพัฒนานะล้มเหลวเลยมันทํำด้วยโลภะแล้วด้วยความอยากค่อยรู้กายค่อยรู้ใจรู้มันเล่นๆอ่ะรู้มันไปทุกวันนะอย่าหยุดอ่นะอย่างนี้มันจะพัฒนาของมันไปเองแล้ววันหนึ่งจะอ๋ออ๋ อ, อ, อนะหลายคนฟังหลวงพ่อพูดทีแรกนะงงไปหมดนะ เออเอเอมีแต่เอนะต่อมาเริ่มอ๋อนะอ๋อพอมีสติสติเกิดเองเนี่ยเห็นหลายคนเริ่มรู้จักแล้วสติเกิดขึ้นเองจิตมันปฏิบัติของมันเองเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยหลายคนรู้สึกอย่างนี้ออนอนหลับอยู่ร่างกายพลิกซ้ายพิกขวายังมีสติรู้เลยนะใจไปคิดตอนตื่นก็รู้ใจไปคิดตอนหลับก็รู้นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทั้งหลับทั้งตื่นก็รู้อยู่อย่างเงี้ยนะค่อยฝึกไป ใหม่ๆฟังแล้วโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เป็นให้ดูแหละค่อยฝึกนะไม่โกหกหรอกไม่หลอกเด็กหรอกนะ <c oughs> อ่ะใครจะถามอะไรเชิญอย่าถามเยอะนะธรรมะจริงๆไม่ควรถามมากหรอกคำถามทั้งหลายนะเกิดจากความคิดพอเราคิดมากเราก็มีเรื่องสงสัยมากมีเรื่องสงสัยมากก็ต้องถามมาก ถ้าหากจิตมันเกิดความสงสัยขึ้นมานะรู้ว่าสงสัยแล้วก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ได้เจตนาจะสงสัยมันสงสัยของมันเองนะเราตามดูความสงสัยความสงสัยก็ดับไปได้เนี่ยถ้าเราคอยดูนะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดดับให้ดูเราภาวนาเราไม่ได้ต้องการความรู้ความฉลาดเพราะงั้นไม่ต้องถามเยอะเราไม่ได้ต้องการความรู้ความฉลาดเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเราเอง ความจริงในกายในใจมันเป็นยังไงเราคอยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นนะอย่างคุณที่ใส่แว่นตาอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องว่ารู้กายรู้ใจเรือว่าถลําลงไปดูมันละนะลงไปจ้องมันละลงไปถลําลงไปใช้ไม่ได้นะรู้กับถลําไปรู้ไม่เหมือนกันหรอกอาเชิญน้ประการหลวงพ่อค่ะค่ะก็คืออยากถามว่าสติตัวจริงมีบ้างไมอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ ภาวนาก็คือเวลาเดินเนี่ยบางทีมันก็อัตโนมัติว่าขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเวลาบางทีมันก็กลับมาที่คําภาวนาหรือว่าเมื่อกี้ก็เผลอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินจงกรมนะขาขวาเคลื่อนไปขาซ้ายเลื่อนไปอะไรเงี้ยถ้าใจเราไหลลงไปอยู่ที่ขาแล้วเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีสติแล้ว oh. นะแต่ถ้ า, าขาขวาเคลื่อนไปใจเราก็แนบอยู่ที่ขาไม่หนีไปไหนเลยนะ mm hmm. ก็มีสติเหมือนกันแต่เป็นสติในการทําสมถะนะไม่ใช่สัมมาสติ สมาสตินี่มันเป็นการรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจนะม้แต่ไม่ได้ไปเพ่งจ้องถ้าเราเพ่งเราถลำลงไปแล้วก็ไม่ใช่สมาสตินะแต่เป็นสติในการทำสมถะของคุณยังติดเพ่งอยู่น ะ, ะใจมันจะนิ่งนิ่งรู้สึกไหมรู้สึกบออ้นะี่วัดตัวเองก็ได้มาถามหลวงพ่อทำไม <laughs> <c oughs> แล้วก็อย่างมีอีกคําถามหนึ่งคือบางทีช่วงบางบางครั้งเงานเยอะอะค่ะก็จะหลงไปอยู่ในความคิดเยอะมากแล้วพอมันรู้สึกตัวอีกทีมันก็นานมากแล้วก็มันจิตมันจะอึง้งอึงแล้วก็เราจะรู้สึกว่าร่างกายมันเหนื่อยเนือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราไปคิดมากนะจิตมันทํางานหนักไปแล้วเพราะฉะั้นเวลาพอจะมารู้มันเนี่ยมันรู้ได้ไม่แจ่มใสหรอกนทื่อๆซึ้บู่ไปช่วงหนึ่งก็ไม่ว่ามันนะ ขอบคุณค่ะกลับกราบพระอาจารย์ครับกาวที่แล้วไปสงการบ้านพระอาจารย์ที่สวนสนติธรรมพระอาจารย์บอกประคองค่อนข้างเยอะเยอะตอนนี้รู้สึกว่าประคองน้อยลงไม่ทราบว่า จ, จะถูกต้องไหมครัถูกนะแต่ยังประคองอยู่แต่ลดลงล้วนะลดลงฮะเริ่มลดลงรู้สึกว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวนต่างๆเนี่ยมันไม่สืบเนื่องกันเหมือนเดิมเหมือนรู้สึกเป็นไม่เป็นเกิดแล้วขาดวับเกิดขาดปั๊บวับปั๊บนะแต่ถ้าเรา เพ่งไว้เราประกอบไว้มันจะนิ่งเหมือนคงที่ทั้งวันทั้งคืนนะอย่างนั้นไม่มีตรลักษณ์ให้ดูถ้าไม่มีตรลักษณ์ให้ดูปัญญาไม่เกิดนะดีแ ล, ะละ้วนละ่ะขอบคุณครับผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยเพ่งนะเพ่งทั้งนั้นแหละนะทำไมต้องไปเพ่งพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าต้องนิ่งนิ่งไว้ก่อนแล้วจะดีนะกลับนวัสการอยู่ไหนครับ ก็ผมเป็นคนที่ปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้ลมหายใจเป็นหลักอะครับแล้วไม่ทราบว่าเป็นการใช้ได้แล้วถูกละคือยังสงสัยอยู่จุดหนึ่งครับว่าอย่างเวลาที่ว่างๆไม่ทําอะไรมันจะติดดูลมหายใจเป็นการติดรูปแบบมากเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรนะเวลาไม่มีอะไรทําเราก็อยู่กับวิหารธรรมคือลมหายใจของเราเป็นเครื่องอยู่ แต่เราอยู่แบบสบายเราไม่ได้อยู่แบบเป็นคุกรู้สึกไหมเราไม่ได้อยู่แบบแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้เราไปอยู่แบบติดคุกอยู่ทื่อ <later>, ๆค nice <punk> ิดว่าติดคุกนานๆแล้วจะดีได้รางวัลติดคุกนานตอนนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราหายใจเห็นไร่างกายมันหายใจไปใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนไปรู้ร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแยกกายแยกใจไปเรื่อย แต่อย่าไปประคองนะไม่ประคองกายไม่ประคองใจตอนนี้หนีไปคิดซับไหมใจทื่อๆไปกดให้มันนิ่งแล้วรู้สึกไหมกดไปก็รู้ทันใช้ได้แล้วที่ฝึกอยู่ดีนรำมศการพาจารย์ครับคือว่าคือผมปฏิบัติโดยการฟังซีดีของพระอาจารย์นะครับดังนิดนึงเห้อพ่อแก่แล้ววะผูออไม่ได้ยินคือปฏิบัติโดยการได้ฟังซีดีของพระอาจารย์ครับแล้วก็ ระหว่างนั้นก็คือรู้สึกว่าอักุศลเกิดบ่อยมากครับแล้ว ก, ก็ก็คือจะอยากดีมากด้วยครับคือหลายอย่างผสะสบกันนะครับแล้วแต่ว่าก็คือฝึกไปแล้วจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าโลกมันแคบลงอย่างเงี้ยครับขณะรู้สึกตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะครับโอ้หลวงพ่อเลยลืมเลยอันแรกพูดเรื่องอะไรว ะ, ะ, ะก็ก็คือ เรียนพระอาจารย์ว่าคือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอกุศลเกิดบ<อ>่อยแล้วก็ดีแล้วภาวนาเป็นนะสิถึงจะเห็นนะคนภาวนาไม่เป็นเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าภาวนาเป็นเราจะพบว่าอากุศลเกิดเกือบตลอดเวลาเลยอกุศลเกิดน้อยถ้าเกิดก็เกิดแว บ, บเดียวเดี๋ยวอกุศลก็มายาวๆอีกแล้วนะอย่งนั้นถูกต้องละวแต่ว่ายังไม่เป็นกลางครับไม่ เ, เป็นกลางเรารู้ว่าไม่เป็นกลางดี เบื้องต้นนะให้เราหัดรู้สภาวะก่อนนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นในใจก็รู้ความโลภเกิดในใจก็รู้ใจลอยไปคิดหนีไปคิดหลงไปก็รู้หัดรู้สภาวะก่อนถัดจากนั้นนะจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะก็ให้รู้ฐานอีกจริงคนที่ไม่เคยรู้สภาวะเลยแล้วก็รู้สภาวะขึ้นมาได้หลวงพ่อก็ชมว่าดีแล้วแต่ถ้าผ่านไปเดือนสองเดือน3เดือนก็ยังบอกเห็นสภาวะอย่างนั้นอยู่นะก็ใช้ไม่ได้ติดแปกอยู่ในที่เดิม แต่ถ้าสติปัญญามันว่องไวขึ้นมันจะเห็ น, นเลยพอมีสภาวะเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันให้ค่ามันจะยินดีขึ้นมามันจะยินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายนั้นนะลำพังรู้แต่ตัวสภาวะแล้วก็จะไปไหลจ้องอยู่ที่สภาวะนานๆไปก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นสมถะอีกเนะฉะนั้นเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นมาให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตมันใช้ได้ ส่วนที่เพื่อนถามว่าสติตัวจริงเป็นยังไงต้องมาเรียนเองนะเหมือนมาถามหลวงพ่อว่าแอปเปิลรสชาติเป็นยังไงอ่ะใครจะไปบอกได้เราต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องนะขยันหน่อยก็ได้แล้วก็อย่าจงใจแรงนะพอคิดถึงปฏิบัติก็ต้องใจเอาจริงเอาจังอย่างนี้นะพอไม่เอาจริงเอาจังก็ปล่อยๆไปเลยนะมันจะหลงไปสองข้างสองอันนี้ไม่เอาขอบคุณมากครับ ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี้ยค่ะว่าถ้าปฏิบัติก็หนักไปเลยไม่ปฏิบัติก็ปล่อยไปเลยแล้วจะทํำยังไงดีก็หัดรู้จักสภาวะนะการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกสภาวะใดๆเกิดขึ้นเช่นใจลอยไปแล้วก็หัดรู้วิธีหัดรู้นะเบื้องต้นหนาอารมณ์กรรมฐานสักอันนึงก่อนที่เราเคยทําแล้วก็ทําแล้วสบายนะถ้าทําแล้วเครียดไม่เอา อย่างคนไหนเคยพุโทโธแล้วก็พุโทโธคนไหนเคยหายใจก็หายใจคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปคนไหนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปคนไหนรู้อินญาบทสี่ก็รู้คนไหนเดินจงกรมนะก็ก็เดินไปถัดจากนั้นเราค่อยหัดรู้สภาวะเช่นเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็คอยดูไปร่างกายที่หายใจนี่อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้นี่อีกส่วนหนึ่ง ร่างกายที่พองยุบเป็นส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ร่างกายที่พองยุบเป็นอีกส่วนหนึ่งนี่หัดอย่างนี้เรื่อยร่างกายที่เคลื่อนไหวแห่งสายลงผ้ะเตียนหตัวที่เคลื่อนไหวนี่เป็นอันหนึ่งจิตที่ไปรู้มันเป็นอีกอันหนึ่งนี่หัดอย่างนี้นี่เป็นการหัดรู้รูปนะเราจะเห็นเลยว่ารูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเองต่อไปเราก็หัดรู้นามาทำเช่นเราหายใจอยู่อย่างเงี้ยแล้วใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทัน คนไหนดูท้องพองยุบใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็รู้หัดรู้สภาวะทางจิตใจไปเมื่อเรารู้สภาวะทางจิตใจได้มากสภาวะทางร่างกายก็จําได้แม่นแล้วเนี่ยต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดเองพอจิตเคลื่อนไหวสติก็จะเกิดเองสติที่เกิดขึ้นได้เองนี่เป็นสติแท้ๆแล้วสติที่จงใจให้เกิดยังไม่ใช่ของแท้ ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็มันจะจําสภาวะได้มากขึ้นจําสภาวะได้แม่นขึ้นสติก็จะถี่เร็วขึ้นเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าชั่วคราวแล้วก็สลายไปทั้งสิ้นเลยในตอนเนี้ยหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมออตอนฟังฟังแล้วใจก็ไหลไปคิดเนี่ยก็รู้ทันแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วแต่ปกติจะรู้สึกหนักๆอะค่ะหนักๆเพราะว่ายังบังคับอยู่นะแต่ดีแล้ว ใจมันค่อยแยกออกมาเป็นคนดูนะก็อย่าไปจงใจบังคับถ้ามันหนักๆ ก, ก็รู้ว่าหนักหนักแล้วไม่ชอบเห็นไหมหนักแล้วยินร้ายรู้ว่ายินร้ายอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียให้รู้สภาวะก่อนเกิดความหนักคือสภาวะนะจิตเกิดความยินร้ายให้รู้ว่ายินร้ายนะใช้ได้แล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะขยันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ร้องอ๋ออๆนะเ <c oughs> มื่อก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นนักคิด ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันนะแกฟังเทศเราฟังเราก็ดูสภาวะไปแกฟังแกก็คิดไปแกก็มาคุยอวดวันหนึ่งมาคุยอวดนี่ประโมทพี่รู้แล้วนะเนี่ยเนี่ยธรรมะเนี่ยพี่ถึงบางอ้อแล้วบอกถึงบางพลัดนะสิอยู่ใกล้ๆกันนะอ้าวไปไหนละกราบพาสการหลวงพอออ่อครับเออคือผมปฏิบัติไป จะรู้สึกว่าเผลอบ่อยอะครับเผล อ, อไปนานนะครับก็เลยกลับมาดูกายอะครับคือให้รู้สึกว่านั่งอยู่ยืนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเห็นว่าเออมีการเผลอไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติถูกต้องแล้วเราเอากายเป็นวิหารธรรมอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกี้ย์นะยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้อยู่ถ้าใจหนีไปคิดเราก็รู้เอาใจไปเพ่งร่างกายก็รู้เอาที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว ไม่ไม่ทราบว่าเพ่งไปหรือเปล่าอะครับตอนนี้ไม่แลใช้ได้ครับแต่อยากขยันนะหมายถึงอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเพง่งถ้ารู้เล่นเล่นรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยนะไม่เพ่งอ่ะแล้วมันการที่จะรู้ว่าใจเราเป็นทุกข์นี่คือทุกมันคือทุกขังหรือความรู้สึกทุกข์ครับที่ดูได้ตอนนี้คือเห็นแต่ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกเมฆโทมนัสเวทนาความรู้สึกทุกขังใจนะ เรายังไม่เห็นทุกครั้งหรอกครับแล้วต้องมีแก้ไข ย, ยังไง ไ, ไม่แก้นะถ้าทำวิปัสสนาไม่มีคำว่าต้องอยังไงแก้ยังไงห้ามอะไรไม่มีมีแต่คำว่ารู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางคือยินดียิน้ายขึ้นมาให้รู้ทันมีเท่านั้นเองฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะหลวงพ่อต้องชมหน่อยหลวงพ่อมาเทศที่นี่ปีกว่าๆนะคนที่มาฟัง จำนวนมากเลยที่ตื่นขึ้นมานะภาวนาที่มาตั้งคำถามวันนี้ใช้ได้ทุกคนเลยจิตรู้สึกตัวขึ้นมาหมดแล้วตื่นเต้นรู้ไหมครับตื่นเต้นครับกบราบน้มัสการหลวงพ่อครับก็วันนี้ตั้งใจมาส่งกันบ้านตายมาสุดท้ายครับของปีครับก็ตอนนี้ก็เห็นว่าขันท่าเขาทำงานนะครับทําทำงานของเขาเองแล้วก็ เห็นว่าถ้าเรารู้แล้วอยากปรุงแต่งจิตเนี่ยเราก็จะเห็นเกิดดับใช่ครับล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับอขออยากจะขอคาแนะนำจากหลวงพ่อเพิ่มมาครับดีอยู่แล้วนะเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อนะั่ที่ผ่านมาหลวงพ่อเหมือนคนปลูกต้นไม้นะตอนนี้ต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกแนละ้วมันงอกงา ม, มเริ่มโตขึ้นมาอีกห้าปีสิบปีมันคงออกดอกออกผลให้ดูนะ <laughs> จริงๆแล้วไม่ยากเห็นไหมจริงๆไม่มีอะไรยากเลยนะอย่าดื้อก็แล้วกันคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆคนไหนที่เคยเพ่งมาเคยกำหนดเคยบังคับเคยประคองหลายปีแล้วมันก็มีแต่นิ่งๆอยู่อย่างเก่าหรือว่าภาวนาเ้าก็เครียดๆอยู่งั้นนะใจกว้างๆนะวางซะแล้วก็มาหัดรู้กายมาหัดรู้ใจไปมันไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อนะ ในพระไตรปิฎกก็สอนอย่างนี้ในพระอภิธรรมก็อธิบายสภาวธรรมอย่างนี้ดังั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายจริงๆเส้นทางนี้ราบรื่นนะเส้นทางนี้รื่นรมเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความสุขเส้นทางนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยกวากน้นาอย่างที่เคยคิดถ้าเราภาวนาผิดเราเชื่ออาจารย์หรือเราเชื่อแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเนี่ยเส้นทางนี้เต็มไปด้วยกวากน้ํา มีอันตรายรอบตัวเลยเดี๋ยวก็บ้าเดี๋ยวก็เพี้ยนเดี๋ยวก็เครียดนะหรือภาวนาแล้วก็ทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านนะอยากจะอยู่คนเดียวคุยกับใครไม่ได้หนีโลกแปลกแยกกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ภาวนาผิดนะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ภาวนาของเราได้อยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้เหมือนที่ท่านพุทธทาสท่านบอกเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู อยู่ได้อย่างปลอดภัยในที่ทุกที่นั่นแหละคือจิตใจของเรานะมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ตรงไหนก็ได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลยในสิ่งแวดล้อมที่ย่ําแย่นะั้นเราก็ยังภาวนาของเราอยู่ได้ค่อยๆฝึกนะเราจะมีความสุขถ้าไม่ดื้อ น, นะเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนอะไรเนี้ยจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองซึ่งตัวเองรู้สึกได้ เคยมีความทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยมีความทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยเผลอยาวๆก็เผลอสั้นลงจะรู้สึกขึ้นมาจิตใจที่เคยเครียดเคยหนักจากการเพ่งเอาไว้ก็จะเบาปราดเปรียวว่องไวนุ่มนวลมีความสุขไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งเครียดยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งถือ่ อ, อบือ้อนซะื่อบื้อใครเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น ให้ฝึกนะแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะพบความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองคนรอบข้างเราก็จะรู้สึกได้หลายบ้านนะหลายบ้านที่มาภาวนาแล้วคนในบ้านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงคนในที่ทำงานรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง mm hmm. เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี้อัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของมหาบุรุษนะธรรมะของมหาบุรุษนี่มีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือไม่เนิ่นช้า ถ้าทำมาตั้งนานแล้วลดลากิเลสไม่ได้จริงเอาแต่นิ่งลูกเดียวอะไรเนี้ยเนิ่นช้านะนิ่งนิ่งซึมซึมซื่อบื้อเนิ่นช้านะไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวจริงถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้านะหัดเจริญสติหัดรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักลโลภโกรดห ล, ดลงนะดีใจเสียใจอะไรเกิดขึ้นคอยหัดรู้จักไปเรื่อยๆต่อไปสติเกิดเอง แล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้นะใจก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาใจก็สงบสุขมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดใจก็หมดความปรุงแต่งหมดการดิน้นรนจิตที่หมดความปรุงแต่งก็จะได้เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานจิตที่ปรุงแต่งก็เห็นได้แค่ธรรมะฝ่ายปรุงแต่งคือเรื่องโลกโลกนั่นเองโลกโลกนี่รวมทั้งปลมอมมาโลกด้วยนะนิงนะน่งๆิ่งนิ่งๆ่งนั่นแหละโลกแหละปลอมมาโลก อย่าไปเอาจิตของลมมาใช้นะเราเป็นจิตมนุษย์จิตมนุษย์ดีที่สุดแล้วเป็นบุญวาสนาที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะอย่าไปน้อยใจบนบานสารกล่าวขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะอย่างนั้นฝ่ายต่ำนะเป็นมนุษย์ดีแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยจิตใจมันกลับกรอกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าเรามีสติตามรู้เรื่อยไปเราจะเกิดปัญญาอย่างรวดเร็วเลยเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การทนอยู่ไม่ได้ อย่างเราเป็นเทวดาเรามีแต่ความสุขดูไปที่ไรมีแต่ความสุขเราก็เป็นนึกว่าความสุขเที่ยงไปหลงว่าเทวดานี้ดีนะหรือไปเป็นพรมนะมันก็นิ่งไปอย่างนั้นเองก็รู้สึกว่าเนี่แหละมันเที่ยงโลกนี้เที่ยงจิตนี้เที่ยงทุกอย่างเที่ยงนะเป็นสัตว์นรกก็มีแต่ความทุกข์เที่ยงเที <IS AS 2> ๆๆ่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานมีแต่ความหลงเที่ยงเที่ยงเป็นเปรตเป็นอสุรากายมีแต่ความโลภเที่ยงเที่ยงอยู่นั่นเอง ถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามดูเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นเราใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่เองนี่พอเราเามีสตินะจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นมนุษย์เปลยไม่ใช่เป็นมนุษย์อสุรกายไม่ใช่เป็นมนุษย์เดรัจฉานไม่ใช่เป็นมนุษย์นรกนะไม่ใช่เป็นมนุษย์เทวดานะแต่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจิตใจอย่างนี้แหละเหมาะที่จะเลิญวิปัสสนามากที่สุดนะ ค่ฝึกนะฝึกไปง่ายเห็นไหมพวกคํามีแต่คําว่าง่ายง่ายกลายเป็นอุทานคําอุทานของหลวงพ่อไปแล้วนะรู้สึกมันง่ายนะอืมไหนไปถึงไหนละอ่าว่าไปฝ่ายแดงการาบธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะคือโยมปฏิบัติโดยการฟังซีดีของหลวงพ่อมานานหลายเดือนแล้วคะ่ะครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้ม า, าพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็อยากจะส่งกันบ้านนะคะคือที่ปฏิบัติมา คือตอนนี้ก็เห็นว่าใจตัวเองเต้นเหมือนกองออ่ะคืแล้วก็ระหว่างทางที่เดินทางมาวันนี้นะคะเห็นว่ามันมีแรงผลักดันจากข้างใ น, นะค่ะขึ้นมาต่อเนื่องะคะ่ะแรงดันเนี้ยเรียกว่าตันหานะจำ<ร>ได้นะเออค่ะคือเดิมทีก่อนที่จะเห็นตัวเนี้ยมันเหมือนตอนนั้นไม่สบายอะค่ะก็เห็นแรงผลักตัวเนี้ยแล้วก็สักพักนึงก็จะมีอาการไอขึ้นมานะคะ่ะแต่หลังจาก ที่อาการไอไม่มีแล้วอะก็ยังเห็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นนานๆครั้งอะคะะ่ะเกิดดันขึ้นมาแล้วไอเหรอค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ดันขึ้นมาแล้วมีกิเลสเหรอไม่ไม่มันจะเกิดอาการไออะค่ะเหรอไปให้หมอตรวจนะค่ะแต่เวลาอย่างเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้สึกไหมมันมีแรงดันเหมือนกันค่ะเอออย่างนั้นเรียกว่าตันหานะถ้าดันแล้วไอนี่ไม่ใช่ตันหา ร่างกายมันระคายเคืองมันพยายามขับสิ่งแปลกปลอมออกจากปอดเราค่ะอย่างงั้นให้มันขับไปไอไปอย่าไปฝืนค่ะแล้วการปฏิบัติของโยมนี่เห็นกิเลสไหมเห็นความอยากเห็นความอยากใช้ได้ค่ะนะไม่เห็นอย่างอื่นไม่เป็นเห็นแต่ความอยากก็ใช้ได้ความอยากละเอียดลออ่ะนะความอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติ นะให้ร <emás>. ู้ไปความอยากเกิดขึ้นเรารู้ความอยากเกิดขึ้นเรารู้ในที่สุดเราจะพบว่าจิตมีสองอย่างเท่านั้นเองคือจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากะจิตที่อยากเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็เกิดเห็นไหมไล่มันมันก็ไม่ไปจิตที่มันไม่อยากมันไปรู้ว่าอยากปั๊บมันความอยากจะดับไปจิตที่ไม่อยากนี่เราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะงั้นแล้วถ้าเราเห็นความอยากบ่อยเราก็ดูความอยากนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราค่ะ อยากให้ลใหลวงพ่อส่งกันบ้านให้หลวงพ่อส่งกันบ้านให้กัน <laughs> บ้านนะคะไปหัดดูบ่อยๆนาะ <c oughs> ดูเรื่อยๆอะไรแปลกปลอมขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆรู <c oughs> เ้เล่นๆรู้ด้ยวยความเป็นกลางต่อไปนี้สังเกตดูเมื่อสภาวะเกิดแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันแต่อย่าไปนค้นหานะว่ายินดียินร้ายหรือเปล่า ให้มันรู้สึกขึ้นมาเองถ้ามันยินดียินไลน์เราก็ค่อยรู้สึกเอาไม่ต้องไปเอาละโปรดละไหนยินดียินไลน์ไหมอย่างนี้จะไม่เห็นเลยเพราะ ว, ว่าขาดสติซะแล้วความอยากที่จะรู้ว่ายินดียินไลน์ไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นแทนสติงั้นจะไม่เห็นดีแล้วค่อยฝึกไป อยากถามเรื่องการปฏิบัติทำสมถะนะคะการที่โยมนั่งทําสมถะนะคะแล้วก็มีแสงขึ้นระลิบระยะ ท, ที่ดวงตาแล้วก็มาเพ่งดูที่กายค่ะ อ, อ, อันนี้จะเป็นการดูกายหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นการเพ่งกาย ค, คือสมถะนะก็ทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งวิปัสสนาทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งสมถะทําทไปเพื่อให้จิตสุขจิตสงบจิตดี อย่างพอเราเห็นแสงแะ้วยิบระยับเนี่ยนะเรารู้ทันไปอย่างสบายใจต่อไปมันก็รวมตัวขึ้นมาเป็นดวงดวงนี้ย่อได้ขยายได้ะอะไรเงี้ยนะตามใจชอบจิตมันจะมีปีติขึ้นมามีความสุขขึ้นมานี่เรื่องของสมถะนี่ถ้าจิตเราทําสมถะอย่างนี้ตอนที่มันถอยออกจากสมาธิออกมาจิตมันเริ่มฟุ้งซ่านให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตแต่เดิมสงบตอนนี้ฟุ้งละให้รู้ทันจิตเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีละ จิตตะกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีแล้วนะให้รู้ไปอย่างนี้เลยค่ะคือจิตของโยมนี่ควรจะดูกายหรือว่าดูจิตเลยดูกายไปก็ได้นะทำความสงบแล้วก็คอยรู้ร่างกายแต่การรู้ร่างกายไม่ใช่การเท่งร่างกายวิธีรู้กายก็คือมีจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเวลาที่เราทําสมาธินะัเราจะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นคนดูนึกออกหมจะมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมา พอเรามีจิตที่เป็นคนดูเราก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเรานึกออกไหมแล้วเสร็จแล้วอย่าไปจ้องจิตตัวรู้ไว้นะของคุณไปจ้องตัวรู้มากไปไปจ้องให้นิ่งห้ามจ้องนะตัวรู้ก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เผลอเนี่ยเผลอไปแล้วรู้สึกไหมให้ปล่อยให้มันทํางานแบบเนีนะ้ไม่งั้นจะไปเห็นว่าตัวรู้เที่ยงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้บอกว่าหลวงพูล่านะพูล่าผู่เจ้าก่อ บอกผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินี่พูดขนาดนี้นะี่ยทำไมเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจริงๆมันไม่เที่ยงนะขันห้ามันจะเที่ยงได้ไงเนี่ยถลําลงไปจ้องแล้วรู้สึกไหมจิตกระโจนลงไปให้รู้ทันนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้น ะ, ะมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือหนูสงสัยว่าหนูปฏิบัติของหลวงพ่อตามซีดีนะคะมาสเดือนแล้วค่ะ หนูรู้จักสภาวะธรรมน้อยมากอย่างเช่นเอลงไปคิดนี่หนูรู้แล้วก็เอตัวอยากพูดหนูก็รู้แล้วก็รู้จักอีกตัวหนึ่งก็คือความคิดอกุศลแต่เวลาคือหลังๆเนี่ยหนูรู้สึกว่ากายกับใจหนูมันมันไม่สามารถคีกันยังไงไม่ทราบค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันผิดทางอเปลมันเป็นยังไงไม่สามารถคี <laughs> อย่างเช่นว่า เวลาหนูโกรธอย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นมันมูบออกมาข้างๆแล้วมองเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันทิ้งมันไม่ได้อยู่ข้างในออกหนูแต่มันมาอยู่ข้างๆค่ะสังเกตไหมว่าจิตมันถอยออกมาแล้วไม่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใช่ค่ะมองอยู่ข้างๆมอนเหมือนเราดูอยู่ดูหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งมันก็ะดุกกระดิษ์เออก็ดีแล้วนี่อย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดหรอกแล้วแต่อย่าไปพอใจนะค่ะออกมาอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยไม่ไหวนะค่ะ แล้วอย่างแท้เรื่องที่เราจะต้องตกใจแล้วเราไม่ตกใจนี่เราผิดไหมคะไม่ผิดสิ<อ>าา <meal> แต่เรื่องที่ไม่ควรตกใจแล้วตกใจนั่นเราผิดปกติอย่างเหตุการณ์ที่ว่าอหนูนั่งรถ อ, อยู่นะคะทางระหว่างทางสามแพร่งอะคะ่ะแล้วคันที่หนูนั่งกับคันตรงข้ามอะคะ่ะเขาแย่งกันเลี้ยวอะคะ่ะแล้วหนูเห็นชัดๆเลยว่ารถคันนี้จะพุ่งเข้ามาหนูลู้ว่หนู ว, หนวิ่งเข้าไปที่ใจของหนู แต่ว่ามันนิ่งอะคะ่ะพอมันนิ่งดูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่คิดว่าอู๋เราจะถูกรถชนแล้วเหรอแล้วก็ถ้าเราจะตายทำไมมันง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนั้นนะจิตมันหลบเข้าไปทำสมถะของมันมันหลบเข้ามาอยู่นิ่งๆนะมาเอาสามาธิเป็นที่พึ่งแต่ก็ยังดีนะตายแล้วได้ไปเป็นพระรมบ้างอะ <laughs> ถ้าอย่างนี้คืออย่างเรื่องค่ะอย่างเรื่องที่ควรตกใจแล้วเรานิ่งไปนี่แปลว่าเราผิดไหมคะไม่ไม่จำเป็นมีมีหลายแบบอันหนึ่งนิ่งเพราะจิตย้อนมาเพ่งจิตอันเนี้นิ่งเพราะสมถะอีกอันหนึ่งนิ่งเพราะปัญญาน ะ, ะเห็นว่าทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลามาไหลไปไม่ใช่สาระแก่นสารไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ใช้ได้เลยยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะแต่ของคุณเนี่ยมันนิ่งด้วยการที่มันตกใจนั่นแหละค่ะ ตกใจแล้วมันเลยวิ่งเข้ามาเกาะอยู่ที่จิตอันเดียวเอาจิตนี้เป็นที่พึ่งคนะ่เรียกว่าเอาตัวรู้เป็นที่พึ่งก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็เป็นเทวดาได้แล้วจริงๆแล้วอย่างนี้คือไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่ว่าเป็นถูกแบบสมถะแต่ว่าเราเลือกไม่ได้ค่ะอะเราเลือกไม่ได้หน้าที่เรานะเราก็เห็นเออจิตมันวิ่งมาตรงนี้เราก็แค่รู้แค่ดูไปเราเห็นเออมันทํางานของมันได้เอง มันวิ่งเข้ามาของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เองแต่ไม่ใช่คิดของโยมไปคิดต่ออไปคิดต่อไปพิจารณาว่าเออความตายนี่มันไม่แน่นอนนะเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เลยตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแล้ถ้าอย่างนี้คือถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ค่ะหนูวิ่งไปที่ใจหนูแล้วใจหนูมันไม่สั่งให้ทําอะไรเงี้ยเท่ากับว่าหนูจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่โองั้นก็ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วสมาธิมันจะช่วยเรานะ่ะ สมาธิมันจะมีพลังนะถ้าไม่ถึงขนาดกรรมตัดรอนคงไม่ตายหรอกสบายใจขึ้นเนาะหลวงพ่อคะที่หนูปฏิบัตินี่ถูกไหมคะถูกสิแต่ว่าอย่าเอาแต่สมถะนะให้ดูกิเลสไปเรื่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้ถ้าภาวนาหลายวันกิเลสก็ไม่เกิดเนี่ยแสดงว่าเพ่งเอาไว้อย่าเพ่งลูกเดียวนะเพ่งกลับแล้วก็คืน่ กราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะไหนไหนยกมือไหนอยู่ไหนพอดีเพิ่งพอดีเพิ่งปฏิบัติไหนโปรมานะให้หลวงพ่อเห็นหน่อยเออชันเข่าขึ้นมาเลยเท่ๆหน่อยเอออยพอดีเพิ่งปฏิบัติอะคะ่ะอยากจะทราบว่าต้องปฏิบัติยังไงถึงจะตรงกับจริตอะค่ะของคุณเป็นคนคิดมากนะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ดูจิตไปจะไปทำความสงบมันไม่ลงง่ายๆหรอกใจมัน <c oughs> จะฟุ้งซ่านง่าย พรางั้นให้เราดูความฟุ้งซ่านของใจไปใจวิ่งไปวิ่งมาพอดูได้ไหมใจวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวหนีไปคิดเดี๋ยวนี้ไปฟังนะเดี๋ยววิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปเรื่อยๆพอพอดูแล้วมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดนะถ้าดูแล้วหงุดหงิดแสดงว่าดีนะพวกขี้โมโหภาวนา ง, ง่ายที่ที่ดูอยู่ทุกวันนี้คือใช้ได้ไหมคะอย่าถามน้าค่อยดูนะคอยหัน ดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยจะเราเห็นแมายกิเลสมาเรารู้กิเลสมาเรารู้เนาะดูไปอย่างนี้ขอบคุณค่ะหลวงพ่อคะคือช่วงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอเวลาเราซักผ้าเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ก็พูดก็คือเราเห็นคือมองว่าเห็นไม่ใช่มือเรามันรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาก็ตกใจยอมรับว่าตกใจอ่ะค่ะก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเห็นลักษณะอย่างเนี้ย บ่อยเหมือนกันออันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือว่าในระหว่างนอนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้รู้ตัวว่าตัวเองคิดแล้วจะคิดประมาณช่วงตีสามกับตีสี่ก็เลยไม่ทราบ ว, ว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันจะแบบมันคิดแล้วเราเราไม่คือมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้อะค่ะก็ได้แต่ปล่อยให้เขาคิดไปเรื่อยๆแล้วก็จะคิดเรื่องซ้ําๆช่วงกลางคืนธรรมาดานะยิ่งแก่ยิ่งชอบคิดซ้ําๆนะ อย่างเวลาเราซักผ้านะเราเห็นร่างกายมันทํางานไปอันนั้นเห็นถูกต้องแล้วเราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูเห็นไหมไอ้ตัวที่กําลังซักผ้าอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันจะเห็นเลยมันทํางานของมันเองเป็นตัวอะไรอีกตัวหนึ่งแยกออกไปนี้ทําไมพอไปเห็นแล้วตกใจที่ตกใจเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้แต่เดิมเราเนี่ยสำคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่าร่างกายนี้คือตัวเราพอเราได้ไปเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันก็เลยตกใจขึ้นมา แต่ต่อไปมันเป็นบ่อยนอกจากจะไม่ตกใจนะจะมีความสุขขึ้นมาแทนเพราะว่าในระหว่างที่ที่ที่วิวทํำอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาไปไหนเนี่ยเราถ้าเกิดเราใจหนูเนี่ยจะเต้นแรงคือจะรู้สึกแล้วพอรู้สึกว่าใจเราเต้นแรงเราก็แต่นแรกก็ไม่ได้สนใจเราพอสักพักหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนเนี้ยเขาโทรเข้ามาหาเราอืจะเป็นอย่างนี้บ่อยคะ่ะหลวงพ่ อ, อมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรนี่ มันหนูไม่รทราบว่าทําไมมันมันเหมือนกับ<อ>ว่าเราเป็นรักคุณถ้า <นะ S 2> ไปดูตัวนี้ให้กันบ้านคุณไปดูโทสะนะมันจะมีโทสะผุดขึ้นแทรกแซงไปแทบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะให้รู้ทันตัวนี้ไปเรื่อยนะยิ้มหวานเลย <laughs> ไปดนะูตัวนี้ไปดูนะตัวนี้แหละรู้สึกว่าเขาจะส่งข้างซ้ายดีข้างขวาดีใช่ไหมตรงกลางไม่ให้ใช่ไหม <laughs> <laughs> คุณแม่ไปยาวจิตหายไปไหนนาะ นี่ท่านเก้าสิบกว่าแล้วนะคุณแม่ไปเยาเนี่ยท่านภาวนามานานไหนไหนอยู่ไหนนำ้ำมัสการของพ่อครับอตาจะถามว่าผมปฏิบัติถูกหรือยังครับแล้วก็ตรงกับจริตหรือยังครับใช้ได้ละ่ะดูไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจ น, นะใจมันเริ่มตื่นแ ล, ล้วกราบน้ำมัส ก, การหลวงพ่อ ลูกเป็นต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกที่นี่มาประมาณปีหนึ่งอะค่ะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองใช่หลวงพ่อก็เห็นค่ะค่ะลูกปิติมากตอนนี้<ม>แล้วก็เคยคิดอยากจะส่งกันบ้านหลายครั้งแต่ว่าความตื่นเต้นมีมากมก็ลูกเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะสารภาพลูกไปฟังธรรมไม้ของสำนักหนึ่งอะะแล้วก็ ลูกอาเจียนออกมาค่ะแล้วก็ไม่สบายแต่ผมเมื่อเช้าวันนี้ลูกมาที่นี่ลูกมีปิติและจิตใจคือรู้รู้ตัวว่าเราปิติมากนะคะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคือสบายแล้วก็เลยอยากจะกราบเรียนส่งกันบ้านหลวงพ่อใช่ได้แล้วน้าต้นไม้นี้งอกงามละ <c oughs> ดี <c oughs> รู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนใช่ไหมมีความสุขมากขึ้นใช่ค่ะเห็นความร้ายของตัวเองเยอะขึ้นเห็นกิเลสอ่กิเลสเพียบเลยแต่เดิมนะเราก็อ่านนิยายนะแม่มดอยู่ที่โน่นที่นี่นะเราภาวนาเป็ตเรารู้เลยแม่มดอยู่ที่ไหนเรารู้ละตัวเราเองค่ะโกรธจะเยอะมากดีมากเลยดีกาบพระพุทคุณลงฝึกไปนะฝึกไปได้ไม่ถอยไม่รีบร้อนแต่ไม่ถอยทุกวันรู้ไปเล่นเล่นรู้ไปสบายสบาย ยิ่งรู้ไปอย่างสบายๆ ย, ยิ่งได้ผลเร็วยิ่งอยากได้ผลแล้วรีบร้อนนะไม่ได้ผลหรอกต้องใจเย็นๆหลวงพ่อคะที่ทำอยู่เนี่ยถูกไหมคะมีปิติล้วก็รู้ไปนะใช้ได้รู้ปิติไปดูซิมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราดูออกไหมดูไปนะมันเป็นของปลอมเป็นของแปลกปลอมเข้ามา ความรู้สึกอื่นๆโลบโกรธลงอื่นๆก็เป็นของแปลกปลอมอะไรๆก็ดูไปเป็นของแปลกปลอมทั้งหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวดีเองแหละท่านาจารย์่านรกๆทวัสดี่ะท่านอาจารย์สสดะท่านจารย์สวัสดี่ทานอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอารกๆทัีค่ะท่บัอาจะรย์สสะเห็นอาารย์วัดเจนพานอาจรยัระะะสดีค่ะท่นอาจ ร, รยร์สวัสดีค่ามองไม่ทันด่ะท่านองดูรู้มันไม่ทัน แล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าใจจิตใจมันนิ่งก็เลยไม่ทราบว่าหนูประคองมันอยู่หรือเปล่าประคองอยู่ส่วนที่ดูไม่ทันเนี่ยไม่จําเป็นต้องดูให้ทันดูเท่าที่ดูได้นะในความเป็นจริงแล้วก็คือไม่มีใครหรอกที่จะดูสภาวะได้ทันทั้งหมดแล้วที่มันนิ่งนี่ต้องแก้แก้แกยังไนงนิ่งเนี่ยเกิดจะจงใจปฏิบัติตั้งใจมากไปตั้งใจมากไปต้องลดความตั้งใจไปแต่ไม่ขี้เกียจนะค่ะ ล, ลดความตั้งใจลดความอยากปฏิบัติลงแล้วก็ขยันดูกายขยันดูใจไปเลยคุณผู้หญิงใส่แว่นตาเสื้อเหลืองภาวนาใช้ได้เนะอ่นรู้ไปไงั้นแหละดีแล้วคนอื่นเลยใจดนีไปอยู่กับเขาหมดเลยเออแต่ปฏิบัติใช้ได้ไหมค ะ, อ, ะอย่าจงใจแรงไป ข, ขอบคุณมากค่ะอวันนี้ทุ่ศีลก็ดีกลับ น, นริศกาหลุมพ่วาเจ้าค่ะไหนไหนไห น, ไหนอ๋อ ค่ะเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะขณะ น, นั่งภาวนาช่วงก่อนหน้านั้นปวดหัวค่ะนั่งภาวนาสักครู่หนึ่งก็ยังรู้สึกปวดหัวอยู่ก็มารับรู้การปวดหัวแล้วก็จะหยุดแค่รู้อืค่ะแล้วก็สภาวะอื่นเกิดขึ้นตามมาก็จะหยุดแค่รู้เลยคิดว่าอ๋อแค่หยุดแค่รู้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันจะ ความปวดมันก็จะหยุดแค่นั้นมันจะไม่ไม่เกิดขึ้นซ้ําทนีนี้กิเลสตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกคือการที่อยากจะภาวนาอือยู่ตลอดค่ะอก็คอยรู้ทันอย่างนี้นก็ดีแล้วนะอย่างเวลาเรารู้อะไรแล้วมันหยุดเนี่ยสังเกตนิดนึงจงใจหยุดไหมหรือเขาหยุดของเขาเองเขาหยุดเองค่ะออถ้าเขาหยุดเองใช้ได้แต่ถ้าเขาไม่หยุดนะอย่างมันปวดหัวขึ้นมาพอรู้ว่าปวดหัวแล้วเนี่ยความยินร้ายก็จะเกิดขึ้นไม่ชอบ อย่างเงี้ยถ้าความยินร้ายเกิดไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบแต่ถ้าเราเห็นความปวดหัวแล้วเราก็แค่รู้รู้แล้วก็ไม่จิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจจะต้องโล่งๆเบาๆนะจะจิตใจจะโปร่งโล่งเบาแต่ถ้าไม่ยินดียินร้ายแล้วจิตนิ่งๆทื่อๆอันนั้นเพ่งๆเอาไว้เจ้าค่ะหนุ่มข้อขอถามอีกข้อนึงนะคะขณะนั่งภาวนาจะพิจารณากายคะ่ะรูปที่เป็นทุก์หนูก็ไล่มาตั้งกต่ศีรษะสักครู่หนึ่งจะเกิดวงกลมคะ่ะหนูก็ดูด้วยความเป็นกลาง ทีนี้วงกลมที่เกิดขึ้นจะขยายขึ้นเหมือนแดดที่ส่งออกไปจนจนสุดเราไม่เห็นเหมือนท้องทะเลอือันนี้คืออะไรคือภาวะอย่างนี้คือเราไปพิจารณากายันมันได้สมถนะการคิดพิจารณ์กายเนยะมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อวงคหนึ่งนะคือหลวงปู่เทศหลวงปูเง่เทศอยู่หินหมักเป้งหลวงปู่เทศท่านบอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะค่ะ การคิดพิจารณากายว่าอีกหน่อยมันก็ตายนีย่ดูว่ามันตายก็เพื่อแก้อาการของจิตก็เป็นสมถะการคิดพิจารณาว่ามันเป็นก้อนธาตุก้อนขันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมอะไรนี้ก็เป็นเครื่อแก้อาการของจิตก็เป็นสมถะอีกเพราะฉะนั้นการถ้ายังมีการเจือด้วยการคิดเอานะจะเป็นสมถะแต่ถามว่าสมถะแล้วดีไม่ดีสมถะก็ดีแต่ดีแบบสมถะ นะเพราะงั้นต่อไปเวลาเราคิดพิจารณากายเนี่ยพอจิตเราสงบแล้วให้เรารู้ว่าจิตสงบนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นดวงกลมๆอะไรเงี้ยอย่าไปดูที่ดวงนั้นให้ดูที่จิตใจของเราแค่จิตใจของเรากำลังถลำลงไปดูไอ้ดวงนั้นนะจิตมันจะไหลลงไปอยู่ที่ดวงนั้นนะให้รู้ทันจิตที่ถล่ลงไปคืออย่าไปดูที่แสงสว่างให้ดูจิตตัวเอง แต่อย่าไปเพ่งนะของคุณ จ, <า>จะติดเพ่งค่ะกลับมาคุยกค่ะมัสการ์ค่ะพระอาจารย์องการบ้านค่ะเอาฟังซีดีมาประมาณหนึ่งปีแล้วอะค่ะแต่ว่าก็บางทีก็ช่วงสามเดือนบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ค่อยดีอะค่ะสลับกันไปกันมาแล้วก็ตะกี้นี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว อยากถามหลวงพ่อว่าหนูสังเกตตัวเองเนี่ยตัณหาจริตกับราคะจริตเนี่ยพอๆกันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะดูจิตหรือดูกายจะดีกว่านะคะคือถ้าเรามีตันหาจริตเนะเราก็ต้องดูกายไปเป็นหลักแต่ไม่ใช่ไม่ดูจิตนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเบื้องต้นหรอกที่มีกายมีจิตนะแต่ว่าพอสติตัวจริงเกิดแล้วไม่มีหรอกว่าจะดูกายหรือดูจิตบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตเลือกไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตา เพราะฉั้นสายกายสายจิตอะไรนี่เป็นแค่จุดตั้งต้นหัดรู้สภาวะอันใดอันหนึ่งไปก่อนแต่ถ้ารู้กายก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะตรงนี้ต้องไปทําสมาธิมาก่อนมาจิตเป็นผู้รู้กายแล้วก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยต่อไปเวลาเราขาดสติพอ ร, ร่างกายเราขยับปับ๊บเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองนะหรือพอจิตใจของเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวสติก็จะเกิดเองมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิต เพราะงั้นคนไหนบอกว่าสายกายสายจิตอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองถ้าสติเกิดแล้วไม่มีหลอกสายไหนสายไหนมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติมีเท่านี้เองหนูก็สามารถนั่งสมาธิได้ใช่ปะได้สิควรจะนั่งไปเพราะบางครั้งหนูนั่งแล้วรู้สึกว่าบางวันเนี่ยจิตมันมันว่างจนไม่มีอะไรจะดูอะค่ะก็ดูว่ามันว่างว่างก็เป็นสภาวะอันหนึ่งให้จิตรู้แล้วว่างนั้นก็ไม่เจี่ยง ใช่ไหมถึงจุดหนึ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงนะก็มีสภาวะให้รู้เท่านั้นแหละเว้นแต่เราไม่คิดว่านั้นเป็นสภาวะเดี๋ยวพอว่างๆเราคิดว่าไม่มีอะไรให้ดู อ, อ, อ๋อค่ะออ๋อแล้วใช้ได้ละอ่ะกับนวัาการนะคะคืออยากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะคือในชีวิตประจําวันเนี่ยปกติคือจะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสวดมนต์ไหวพระนะคะเพราะว่าออพอดีมีลูกยังเล็กอยูอย่ ก็เลยใช้วิธีตามรู้รู้กายรู้ใจไปก็เลยสงสัยอยู่ว่าถ้าจะใช้วิธีในการ เ, ออเพ่งคล้ายๆว่าเพ่งกายเนี่ยแทนการทําสมาธินี่จะได้ไหมคะเพ่งกายก็เป็นสมาธินะแต่ว่ายัง<ต>ไม่ต้องเพ่งหรอกนะเลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูใจของเราไปลูกเราแต่ละวันแต่ละเวลาน่ารักน่าเกลียดไม่เท่ากันอ๋อคะ่นะอันนี้ดูใจของเราไปอย่างนั้นนะเห็นแล้วเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่าน ให้รู้ว่าใจเราฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าฟุ้งซ่านใจมันจะสงบของมันเองเพราะว่าฟุ้งซ่านมันไม่เที่ยงเมื่อไม่มีเวลาทําสมถะในรูปแบบเราก็ใช้การเจริญปัญญาเนี่ยทําให้เกิดสมาธิขึ้นได้อย่างจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอยู่ดีอ่ะรู้เฉยๆนะมันจะดับเองทันทีที่มันดับเนี่ยใจก็สงบลงมาละแล้วถ้าใช้วิธีคือ สูตรลมหายใจเข้าแล้วก็นิ่งไว้สักพักนึงเนี่ยอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าทําจําจนออารอะไรก็กลับไปอยู่ตรงนี้นะงานหลักของเราจริงๆก็คือการเจริญปัญญารู้กายรู้ใจงานสนับสนุนคือการทําสมถะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องน่เราก็มาหาสมถะพอจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเราก็ไม่เป็นนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นให้เราออกมารู้กายออกมารู้ใจไว้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ พระคุณพระอาจารย์มากค่ะสังเกตไหมเวลาเรารู้ตอนนี้ยใจเรารู้อยู่นอกๆขนาดนี้รู้สึกไหมอาเชิญคุณแม่ไปเยาเมื่อก่อนท่านเป็นอธิการบดีสวนสุนันทากราบกราบน้องกันหนงพ่อคะ่ะวันนี้คิดก่อนมาว่าเป็นวันเดือนสิ้นปีแล้วพระอาจารย์คงจะทบทวนที่สอนมาว่า ได้ถึงไหนหรือไปอย่างไรก็ตั้งใจมาเป็นพิเศษนั้วละค่ะว่าจะติดตามดูว่าตนเองในขณะนี้ได้ปฏิบัติไปถึงไหนบกพร่องตรงไหนก็ตามไปเรื่อยๆนะคะก็มีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าก็ติดตามคอร์สของหลวงพ่อได้ตามสมควรแต่ว่าตั้งใจอย่างยิ่งในเรื่องสติกับรู้สึกตัว แล้วก็ยังคิดว่าสตินี่ดีขึ้นพอสมควรแล้วก็รู้สึกตัวก็ดีแต่ก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ประมาทนะจ๊ะค่ะก็พอเพลินพระอาจารย์ก็จับได้ว่าไม่จริงหรอกยังเผลอ ก, ก็รู้สึกกลับขอพระคุณพระอาจารย์ว่าเราจะประมาทตัวเองไม่ได้ว่าปฏิบัติมานานแล้วแต่ตั้งใจอย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องมีข้อเผลอจนได้จ๊ะค่ะ แล้วในขณะนี้นี่มีความรู้สึกในด้านสติกัรู้สึกตัวตั้งใจมากใชคะแล้วทําอะไรก็จะพยายามชาักช้าเพื่อว่าสติจะไม่เผลอแล้วก็รู้สึกตัวก็จะดีขึ้นก็ก็ตั้งใจอยู่แต่ตรงสตินี้เท่านั้นละกันในการปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าสติเพราะว่ารู้ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยที่ว่าเก้าสิบแล้วเนี่ย มันก็ยังเป็นความกรุณนาอย่างยิ่งที่อยู่มาได้จนถึง90สแล้วสามารถได้มาฟังธรรมะด้วยความเข้าใจดีถึงแม้ว่าปัญญายังไม่ถึงเท่าที่ควรก็ตามแต่ว่ามีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าใจนี่อยู่กับธรรมะตลอดเวลาว่าจะทำอะไรนี่และความความสุขในตอนนี้เป็นความสุขสงบและมีความสุขสงบ ที่ไม่ต้องการอะไรเลยเพราะว่าวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าค่ะก็ไม่ได้ไม่เด้ละเลยธรรมะของพระอาจารย์เลยถึงแม้จะไม่ได้ไปเพราะว่าติดขัดในเรื่องพาหนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับธรรมะของหลวงพ่อตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะในขณะนี้เวลาไม่มีสําหรับอะไรเหลือสําหรับอะไรเลยนอกจากอยู่กับธรรมะเจ้าค่ะก็ดีนะคุณแม่ก็อนุโมทนาคือเวลาเราภาวนาเนี่ย เดี๋ยวเราเราเจตนาเราเจตนาจะมีสติตามรู้ไปเรื่อยนะฝึกไปอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้โดยไม่มีเจตนาละนะตรงที่รู้โดยไม่มีเจตนาเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาละนะดีเอาให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคุณแม่อายุป่านนี้นะภาวนาไม่มีถอยเลยคนไหนอ้างบอกว่า สุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงภาวนาไม่ได้ไม่จริงนะอายุมากภาวนาไม่ได้ก็ไม่จริงนะเป็นข้ออ้างของกิเลส ท, ทั้งหมดเลยหรือบอกว่างานมากภาวนาไม่ได้ก็เป็นข้ออ้างของกิเลสอีกอเราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรคืองานหลักของชีวิตเราอะไรคืองานรองของชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่จะแสแวงหาความสุขเพราะฉะนั้นเรามุ่งไปหาความสุข การภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงส่วนการที่เราไปทำกิจกรรมอื่นๆนะมันเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกเท่านั้นเองอย่างเราไปทำมาหากินเราไปเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องทำเพราะว่าต้องอาศัยอยู่กับโลกแต่ว่ามันไม่ใช่งานหลักงานหลักคือการเรียนรู้ตัวเองจนกระทั่งเราสามารถอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั่นนะอยู่จนแก่จนเท่าไม่เลอะเลือนนะเป็นคนแก่คนเท่าน่านับถืออะไรเงี้ย เพค่อยฝึกเอาแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะหลวงพ่ออยู่กับโลกก็นานนะกว่าจะได้บวชอายุตั้ง4ี่สิบแปดความสุขอย่างโลกโลกรู้จักอย่างดีเลยแต่รู้เลยว่ามันเป็นความสุขแบบหลอกๆความสุขของโลกโลกนะมันก็สุขเหมือนกันนะมันสุขช่วครั้งช่วคราวปรเดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกแล้วถ้าเราทํางานหลักในชีวิตเราเสร็จเนี่ย น, นะโอ้โหเราจะมีความสุขที่แท้จริง งานหลักของเราคือการเรียนรู้ตัวเองการภาวนานี่แหละเกิดมาทั้งชาตินะทํางานหลักให้ได้บางคนก็บอกว่ามัวแต่หากินมัวแต่เรียนหนังสือไม่มีเวลาภาวนาเอางานรองมาเป็นงานหลักแล้วเดี๋ยวขอทํางานนี้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะภาวนาเนี่ยเอาเรื่องรองมาเป็นเรื่องหลักแล้วแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ให้ไปเรียนหนังสือไม่ให้ไปทํางาน แต่ว่าถ้าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติเราทํางานเราก็ปฏิบัติการปฏิบัติไม่ได้เบียดบังเวลาในการใช้ชีวิตทางโลกของเราเลย น, ะนั้นเบื้องต้นถือศีลห้าไว้นะทำหน้าที่ของเราไปอย่างโยมผู้หญิงตะกี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้นะลูกงอแงขึ้นมาไม่สบายหรือเปล่าใจเป็นห่วงรู้ว่าเป็นห่วงนะ ลูกมันอารมณ์ดีเราดีใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะลูกมันตื้อแลโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมมันไม่ได้เบียดบังเวลาของเรานะเวลาเราทํางานที่ต้องคิดอันนี้รู้กายรู้ใจไม่ได้แต่พอทํางานไปช่วงหนึ่งมันเครียดให้รู้ว่าเครียดนะทํางานแล้วอยากให้งานดีรู้ว่าอยากนะทํางานแล้วก็งานเราก็ว่าดีแล้วแต่คนอื่นเขาว่าไม่ดีเราเสียใจรู้ว่าเสียใจเนะนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกไป เราทํางานรองคืองานที่จะอาศัยอยู่กับโลกไปด้วยแล้วเราก็ไม่ทิ้งงานหลักของเราด้วยถึงวันหนึ่งเราก็จะพบว่าเราจะกําไรอย่างมหาศาลงานทุกอย่างในทางโลกนี้อาศัยได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะอย่างจะใหญ่โตมีตําแหน่งหน้าที่อะไรมันก็อยู่ในตําแหน่งชั่วคราวเว้นแต่ว่ามันจะตายคาที่นะแต่มันก็ตายแล้วก็หมดตําแหน่งอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นแค่ของอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียไปหมด แต่ถ้าเราภาวนานี่แหละมันเป็นสมบัติที่จะติดเนื้อติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปถ้าชาตินี้ต้นไม้นี้ยังไม่ออกดอกฝนชาติต่อไปต้นไม้นี้จะงอกงามอย่างรวดเร็วเลยจะเติบโตอย่างรวดเร็วการภาวนาจะง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจคุ้นเคยกับการมีสติเสียแล้วเราะฉนั้นอย่าทิ้งงานหลักนะแต่ไม่ได้ให้ทิ้งงานรองด้วย งินรองก็เพื่ออาศัยอยู่กับโลกได้ไปเรียนหนังสือแล้วก็มีความรู้มาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรไปก็ทําหน้าที่ของเราไม่ใช่ปฏิเสธหน้าที่ของตัวเองจนะอบอกปฏิเสธหน้าที่แล้วจะภาวนาอย่างเดียวอันนี้ไม่เข้าใจละคิดว่าการภาวนาจะต้องแยกส่วนออกจากการใช้ชีวิตธรรมดานะแท้จริงการภาวนานี่แหละอยู่ในชีวิตของเรานี่เองนะการที่หลวงพ่อสอนเรื่องการเจริญสตินะ มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนยุคนี้จเจริญสติรู้กายรู้ใจไม่เบียดบังเวลาทํามาหากินไม่เบียดบังเวลาเรียนหนังสือนนั้ทําควบกันไปได้แล้วก็ได้ผลเร็วเห็นผลเร็วเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายไม่ต้องทําอะไรที่ลําบากเลยเดินอยู่นี่รอรถเมย์อยู่ก็ภาวนาได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าต้องหลีกเล้นไปอยู่ที่ไหนขับรถอยู่ก็ทําทได้อะไรๆก็อยู่ทําทได้ทั้งนั้นแหละ ไม่ค่อยฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะได้ของจริงๆนะไม่ใช่ได้แต่ของเล่นๆนะอย่างทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนี่ของเล่นๆนะถึงวันหนึ่งก็เสียไปหมดมีอะไรไหมอ๋อหมดเวลาละก็ช่วงทายนี้ก็ขอสิกก่งอกาศเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานแด่พระจารย์นะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจิจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปาโมโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สูขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินหลวงพ่ออนุโมทนานะที่ได้มาฟังธรรมบางคนก็ถวายข้าวของอะไรเนี้ยส่วนมากข้าวของมันเกินที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อส่งไป ต่างจังหวัดวัดต่างจังหวัดส่งไปทางโน้นท่านไปแจกต่อกันประมาณ130วัดนีแจกต่อไปเพรนสิ่งที่พวกเราทำนะไม่ได้สูญหายไปไหนนะเราได้ให้กําลังให้ความสุขกับผู้อื่นอย่างเราทําทานอะไรเนี่ยนะหรือเราหัดภาวนาเนี่ยเราก็ให้กับตัวเองมากเนะฉนั้นภาวนาได้บุญเยอะนะการทําทานการอะไรอย่างนี้ก็เพื่ออาศัยเป็นเครื่องอาศัยอยู่ในโลก เวลาจะเดินทางในสังสารวัตเส้นทางนี้ยาวไกลบางคนไม่จบในชาตินี้ก็ได้อาศัยต่อไปข้างหน้าอาศัยบุญอาศัยอะไรของเรานี้เองดีละอนุโมทนาปีใหม่นะปีใหม่ปีใหม่ทําตัวใหม่นะใหม่ตลอดเวลาใหม่เป็นขณะขณะไปนะถ้าปีใหม่แค่กินเลี้ยงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนเดิมคือแย่ๆเหมือนเดิม ปีใหม่ไหนๆก็ใหม่ทั้งทีนะใหม่เป็นขณะขณะไปเลยไม่ต้องรอตั้งปีถึงจะใหม่นะในความเป็นจริงแล้ว